พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการสำรวมนี่เป็นความดีความสำรวมก็ก่อนอื่นก็สำรวมใจนัน่นแหะ เมื่อตั้งใจได้แล้วมันก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าอะไได้หมดถ้าสำรวมใจไม่ได้แล้วมันก็สำรวมมันอื่นก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นให้พากันสำคัญเรื่องขิดใจนี่ให้มากทีเดียว ผู้มีความคิดสูงก็จึงได้มองเห็นว่าใจนี่แหละเป็นประธานการทำดีหรือทำชั่วใดๆก็ดีบัดนี้เมื่อเห็นว่าการทำชั่วนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนมีปัญญา คนมีปัญญาจักไม่ทำความชั่วจักเลือกทำแต่ความดีทีนี้การที่บุคคลจะทำความดีให้สม่ำเสมอไปได้หรือว่าให้ยิ่งขึ้นไปได้ก็เพราะอาศัยการฝึกจิต ด, ดวงนี้ให้มันตั้งมั่นลงด้วยดีให้มันหนักแน่นเข้าไปไม่ให้มันอ่อนไว้ไปตาม สิ่งที่มากระทบถูกต้องเข้านี่ให้พากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เราไม่มีจุดมุ่งหมายอย่างอื่นใดถ้าพูดอย่างรวบรัดตัดตอนเอาการมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่นะมุ่งฝึกจิตดวงเดียวนี่แหละ ให้ดีขึ้นไปโดยลำดับทีนี้การที่จิตมันจะดีขึ้นไปได้มันก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปด้วยความเข้มแข็งไม่ย่อท้อการที่เรามีอุบายสามารถระงับ เรื่องวุ่นวายต่างๆทั้งภายในใจตัวเองและทั้งภายนอกให้มันสงบระ ง, งับลงไปได้ครั้งหนึ่งๆ น, งนี่เราก็ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นส่วนหนึ่งแล้วจิตใจก็รู้สึกว่าดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นกลัวเก่านี่การฝึ ก, กจิตนะให้พากันเข้าใจ ไม่ใช่ว่าเราอยู่ไปเรื่อยๆไปอย่างนี้แล้วจิตใจมันจะเข้มแข็งขึ้นเองโดยไม่ได้ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเส้นนี้นั้นเป็นไปไม่ได้ขอให้นึกทบทวนดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เมื่อพระองค์ ได้ฝ่าฟันอุปสรรคเริ่มตั้งแต่อยู่ในกลาชสมบัตินี่ได้มองเห็นโทษของการเป็นเจ้าเป็นใหญ่ว่ามันยุ่งยากลำบากแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อมาพัวพันอยู่กับของไม่เที่ยงเหล่านี้นะมันก็ไม่พ้นไปจากทุกได้ เพราะว่าไปผัวพันถือมั่นอยู่กับของไม่เที่ยงดังนั้นนะพระ อ, องค์ก็จึงสละราชสมบัติออกไปบวชนั่นเป็นอันว่าพระ อ, องค์ละความยึดมั่นถือมั่นไปได้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้เมื่อออกบวชไปแล้วเอาทำความเพียรเพื่อจะให้ได้ตรัสรู้ มันก็มีมารคอยมากีดกันทำให้พระองค์ไม่สามารถจะตัดสู้ได้โดยเร็วพ ร, รันก็ต้องแสวงหาทางไปเรื่อยๆไปจนว่าได้หกปีนี่ปีที่หกนี่ก็จึงได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณคืนวันจะได้ตัดสู้นั้นก็ต้องต่อสู้กับ พญามารและเสนามารอย่างเต็มที่กลัวจะเอาชนะพญามารและเสนามารต่างๆได้พระองค์ก็จึงได้นึกถึงพระบรมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติมาเป็นอารมณ์เมื่อพระบรมีเหล่านั้นปรากฏในพระทัย แล้วก็ทำให้พระไทยของพระองค์เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวขึ้น <c oughs> กบันดาลให้เกิดอุขหานีมิตขึ้นมาปรากฏเป็นเหมือนกับมีผู้มายืนยันว่าพระบรมีที่พระองค์ได้สร้างมานั้นมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลเออแล้วก็ บิดมวยผมพูนว่าน้ำก็ลังไหลออกมาท่วมทนพญามารและเสนามานให้พ่ายแพ้ไปเนี่ก็หมายเอาน้ำพระทัยของพระ อ, องค์นั่นแหละเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งฝ่ายชั่วนั้นไม่สามารถจะเอาชนะน้ําใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาทำ หรือคุณธรรมอื่นๆมากมายอนั่นแหละความชั่วไล่ทั้งหลายจะเอาชนะคุณธรรมของพระองค์ไม่ได้เลยดังนั้นกิเลสอันชั่วไล่ทั้งหลายถึงได้ระงับดับไปจากพระทัยของพระองค์ต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้รับความสงบใจอย่างเต็มที่นี่ น, นันแะ ก็จึงได้ตัดสร้ในยานที่หนึ่งยานที่สองยานที่สามไปโดยลําดับยานที่สามนั้นท่านเรียก ว, ว่าอาสวัคยยานปรีชาอย่างรู้ว่าอาสวัสิ้นไปจากพระคณาสันดานของพระองค์แล้วลองพิจารณาดูตั้งแต่พระพุทธเจ้านะพระองค์สร้างบา ร, ร, รมีม า, มามากต่อมากถึงปันนั้น ถึงปาะนั้นก็ยังได้ต่อสู้กับกิเลสสมานตันหาอุปทานอะไรต่ออะไรอยู่มากมายกลัวว่าจะหลุดพ้นไปได้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่เข้มแข็งพอก็เลยจะต้องพ่ายแพ้ต่อมารและเสนามานนั้นไปจากนี้พระพรอองค์ได้ สั่งสมบุญบา ร, รมีมาเต็มบริบูรณ์แล้วพระไทยของพระ อ, องค์จึงหนักแน่นเหมือนกับแผ่นดินนี้หรือหนักกว่าแผ่นดินอีกซ้ําแผ่นดินนี่ยังหวันไหวไ ป, ไปเป็นบางครั้งบางคราวได้อยู่แต่พระไทยของพระ อ, องค์นั้นไม่ได้วันไหวกับกิเลสสามานต่างๆพระ อ, องค์จึงหลุดทนจากอํานาจของมารคือกิเลสชั่วร้ายต่างๆไปได้ นี่ทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทแล้วก็ควรลำลึกถึงพระประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าบ่อยๆแล้วเราจะได้มีกำลังใจเข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆไม่ย่อท้อถ้าหากว่าเราไม่ เอาเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์หรือว่าไม่เอาเยี่ยงอย่างของพระสงฆ์สาวกของพระองค์มาเป็นอารมณ์เส้นนี้มันอาจจะอ่อนแอลงได้จิตใจนั้นนะเมื่อได้ประสบกับอุปปักต์ต่างๆนั้นานะเข้าไปอย่างนี้ใจก็อ่อนแอลงไม่มีปัญญาที่จะ แก้ไขอุปสรรคนั่นๆนให้รู้ล่วงไปดังนั้นนะผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่จึงไม่ควรนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆควรฝึกปัญญาความรู้ความฉลาดให้เกิดขึ้นในใจของตน ปัญญาความรู้ในพระพุทธศาสนานี่ท่านหมายเอารู้จักทางผิดทางถูกคือทางดำเนินของกายวาจาใจนี่นะ<อ>นั่นแหละไม่ได้หมายเอาปัญญาหาเงินหาทองหาหลาภหายศอะไรได้อย่างนั้นไม่หมายอย่างนั้น หมายเอาปัญญารู้จักว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันมีโทษมันมีโทษมากหรือโทษน้อยออก็ต้องรู้เพราะว่าโทษนี่มันก็มีขั้นตอนออโทษมากก็มีโทษน้อยก็มีมันก็ต้องรู้ไปตลอดถึงความชั่วอย่างละเอียดละออำเข้าไปไม่ใช่จะไปรู้เอาตั้งแต่ความชั่วขั้นห ย, ยาบๆเท่านั้น ก็ต้องอยังปัญญาพิจารณาเห็นความชั่วส่วนละเอียดลงไป <c oughs> ความชั่วส่วนละเอียดนี่โดยมากมันจะเกิดจากมานาทิฏฐิ <c oughs> ความถือตัวถือ ต, ถอตนถือมั่นในความคิดความเห็นเมื่อตนเห็นอย่างไรขึ้นมาแล้วนึกว่าถูกต้องแล้วก็ไปถือมั่นในความเห็นอ น, นั้นไว้ ออย่างนี้ท่านก็จัดว่าเป็นความชั่วอย่างละเอียดถ้าไปถือมัน่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าอย่างนี้แล้วมันจะไม่รู้รอบในเรื่องต่างๆต่ตตอไปฉะนั้นเราต้องวางให้หมดแม้ว่าความคิดควมเห็นมันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรขึ้นมาแล้วอย่างนี้เราก็อย่าเพิ่งเชื่อหน้าเดียวก่อน ต้องปล่อยวางลงไปให้ใจมันสงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วกระจึงหยิบยกเรื่องนั้นนั้นมาวินิจฉัยดูแล้วมันจะเห็นแจ่มแจ้งได้เห็นทางผิดทางถูกได้เป็นไงนั้นอันทางผิดนี่หมายถึงความเห็นผิดเป็นชอบ ความเห็นผิดเป็นชอบนี่มันก็มีหลายขั้นตอนนะตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียดจะอย่างนั้นความเห็นผิดอย่างหยาบก็เห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีโลกหน้าไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีผู้ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงซึ่งปนิพานก็ไม่มีปฏิเสธไปหมด ในอย่างนี้ท่านเลยว่าความเห็นผิดอย่า ง, ง <c oughs> หยาบไอ้ความเห็นผิดอย่างกลางเช่นเห็นว่าเอาทําบุญทำกุศลให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฝ้าให้เจริญด้วยโพคะสมบัติลาบยศสรรเสริญต่างๆ น, น, นานา มูนี้ทาบุญกุศลอะไรก็มุ่งหวังตั้งแต่ความเจริญในด้านรูปวัตถุต่างๆมูนี้นะนี่มันก็เป็นความเห็นผิดจาง ก, กลางมันเป็นอย่างนั้นความเห็นผิดเนี่ยเมื่อผู้ใดถือมั่นอยู่ในความเห็นอย่างนั้นทาบุญกุศลทาความดีไป เมื่อบุญกุศลความดีนั้นอำนวยผลให้ในชาติต่อไปเป็นผู้ร่ำรวยเงินทองเข้าของลาบยศสรรเสริญต่างๆมาแล้วก็ห่วงแล้วแบบนี้นะห่วงลาบสการะต่างๆหมู่นั้นกลายเป็นคนตันนี่ถี่เหนียวไปกลายเป็นคนเย่อหยิ่งขึ้นสำคัญว่าตนนั้นมียศทาบรรดาศาักเหนือคนทั้งหลายไม่ยำเกรงใคร อมนี่ชอบใจเหยยดย้ำดูมินผู้อื่น <c oughs> ล่ำไปอันนี้แหละผลที่จะได้รับจากความถือมัน่นในความเห็นผิดอย่างกลางดังกล่าวมาแล้วนั่นนะความเห็นผิดอย่างละเอียดก็ได้แก่ มาเห็นลงไปว่าสัญญาอารมณ์ต่างๆที่ตนภาวนาพิจารณาเข้าไปแล้วไปเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาแล้วก็สำคัญว่าตนเห็นริงเห็นแจ้งตนรู้วิเศษอะไรอย่างนี้แนละ้วก็ไปยึดมั่นในความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ โดยไม่ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเข้าใจว่าต น, น, นมันเห็นถูกต้องแล้วนี่เรียวว่าเป็นความเห็นผิดอย่างละเอียดความเห็นที่ถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทำทั้งหลายไม่ควรถือมัน่นดังนั้นแม้ว่าตนจะเห็นถูกเห็นจริงเห็นจังอย่างไร ก็ตามแหละเห็นแล้วปล่อยวางอย่างนี้จึงถูกต้องไม่ได้สำคัญว่าความรู้ความเห็นอันนั้นเป็นของวิเศษควรยึดควรถือเอาไว้ไม่เห็นอย่างนั้นเพราะความคิดความเห็นความรู้อย่างว่านั้นมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละพระองค์เจ้าจึงสอนว่าไม่ทำทั้งหลายไม่ควรถือมันนะ ทำทั้งหลายก็หมายถึงว่าทำที่เป็นบุญเป็นบาปนั่นแหละทั้งบุญทั้งบาปไม่ให้ถือมั่นเลยเมื่อละเอียดเข้าไปจริงๆบุญก็ไม่ถือมั่นเลยปล่อยวางตามสภาพจิตที่บริสุทธิ์แล้วหมายความว่าปราศจากบุญและบาปทั้งหมดเลยมีแต่ความบริสุทธิ์อยู่อย่างเดียว รู้แจ้งว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งหมดอย่างนั้นจึงได้เป็นความเห็นถูกต้องนี่เราพูดถึงความคิดความเห็นนี่มันมันละเอียดเป็นชั้นๆไปอย่างนั้นความเห็นถูกเห็นชอบมันก็โครงกันข้ามนั่นเองเลยเป็นงั้นโครงกันข้ามความเห็นในขั้นต้นนี่ เราทำบุญกุศลแล้วไม่หวังผลตอบแทนอะไรทั้งหมดทำไปแล้วใครจะสนเสริญนินทาอย่างไรก็แล้วไปไม่รับรู้แล้วแล้วก็ไม่มุ่งหวังผลในชาติน้าชาติในอะไรก็ทำไปแล้วแล้วไปเลยการทำบุญการให้ทานการประพฤติชอบอะไรก็เพื่อละกิเลส ตัณหาเนี่ยนะให้ออกไปจากดวงกิจนี่ไม่ได้มุ้งอย่างอื่นนี่เป็นความเห็นถูกเห็นชอบในขั้นต้นนะอันนี้ในขั้นต่อไปก็ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าทาบุญไม่หวังเอาหน้าภาวนาไม่หวังเอาลาบเอายศอะไรภาวนามุ่งหวังที่จะชำระ ความโลภโกรธหลงมานาทิฐิกิเลสโต้ใหญ่ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้เท่านั้นไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นได้ไม่ได้มุ่งหวังภาวนาให้ได้ไปเกิดสวรรค์พรมโลกอะไรอย่างนี้ไม่ไม่เป็นเช่นนั้นความเห็นที่ถูกต้องนะ เพื่อชำละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากดวงกิดนี้เท่านั้นดังนั้นเมื่อทำอะไรไปมันผิดหวังลงไปแล้วก็เลี้ยวไปปล่อยทิ้งไปเลยไม่ถือมั่นไว้ถ้าไปถือมั่นไว้มันก็เป็นกิเลสไปงนั้นการทำอะไรพูดอะไรที่จะให้มัน เป็นไปดังใจหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะัมันไม่ได้ในโลกอันนี้นะดังนั้นทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องฝึกปล่อยฝึกวางให้ได้ต้องทำความรู้เท่าล่วงหน้าไว้ว่าเราทาอะไรพูดอะไรไปแล้วจะให้มันได้สมหวังทั้งหมดนั่นเป็นไปไม่ได้เอาสมหวังก็เอาไปไม่สมหวังก็เล้วไปไม่ต้องเสียใจดีใจ เราจะรักษาใจตรงนี้ให้เป็นกลางอยู่อย่างนั้นพร้อมด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงความรู้ยิ่งนั่นหมายความว่ารู้เห็นความเกิดขึ้นความแปรโวนแตกดับแตกไปแห่งสัพสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองมูนี ก็เห็นว่ามีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแจกดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นของอย่างยืนสักอย่างเดียวบรรดาสิ่งทั้งพวงที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานี่นะย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นความรู้อย่างนี้นะอย่าให้มันลบเรือนหายไปจากดวงกิจนี่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ต้องรักษาความรู้อันนี้ไว้ให้ได้อันความหลงนี่มันก็ละเอียดเข้าไปโดยลำดับเหมือนกันนะหลงความคิดหลงความเห็นตัวเองนี่ละเอียดเข้าพอๆนะมันเป็นยางไงสำคัญว่าตนเห็นถูกเค้นชอบสำคัญว่าตนเห็นทำอันวิเศษ แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นไว้อันมูนี่นะเรียกว่าทิฏฐุ ป, ประทานถือมั่นในความคิดความเห็นอันนั้นไม่ใช่หนทางคนทุกดังนั้นเนี่ยเมื่อคิดเห็นอะไรขึ้นมาแล้วเห็นจริงตามธรรมชาติธรรมดามาแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นความเห็นอันนั้นไวปล่อยวางแล้ว ถ้าจิตใจมันก็เป็นกลางอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เอียงไปข้างโน้นข้างนี่อะไรนี่แหละจึงสมกับที่พระพุทธองค์ตัดไว้ว่าทำทั้งหลายไม่ควรถือมั่นนั่นแหลพากันเข้าใจไว้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ถ้าพูดสั้นๆลงมาแล้วก็หมายความว่าเราปฏิบัติทำความดีอะไรไม่ใช่ทําเอา ทำทิ้งรู้อะไรไม่ใชย่ยึดเอาความรู้อันนั้นไว้รู้อะไรแล้วปล่อยทิ้งนั่นแหละมันยังถูกต้องอา้าวถ้าอะไรก็ปล่อยทิ้งหมดแล้วมันจะได้อะไรแล้วอา้อาก็ยังว่ามันไม่ต้องการอะไรทั้งหมดถ้ายังต้องการอยู่ยังมีได้มีเสียอยู่เนี่ยมันก็มีทุกข์อยู่อย่างนั้น มันก็มีอุปทานอยู่นั้นมันก็ไม่พ้นจากการเกิดอีกต่อไปเห็นนั้นการที่เราหัดปรงหัดวางหัดปล่อยลงให้ใจมันว่างอยู่อย่างนั้นว่างจากความยึดความถือเนี่ยอย่างนี้มันถึงจะหลุดจะพ้นไปจากทุกข์ในสงสารอันนี้ได้ให้พากันเข้าใจอย่างนี้แต่ ภายในจิตใจเนี่ยมันปล่อยมันวางแหละแต่การกระทากิจการงานต่างๆภายนอกนี่มันมันต้องทําไปตามหน้าที่ไม่ใช่ว่าปล่อยวางอะไรภายในใจแเราหมดแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยอันนั้นก็เห็นผิดไปอีกแหละเ อ, อ่าให้เข้าใจเพราะว่าไอดวงขิดนี่มาอาศัยขันห้านี่อยู่ขันห้านี่มันก็ มีบุญมีบาปมารอเรี่ยงไว้มารักษาไว้เป็นอย่างนั้นก็ต้องทำไปตามหน้าที่เมื่อขันห้านี่มันเหตุปัจจัยที่บำรุงขันห้านี่ยังไม่หมดมันก็ยอมเป็นไปอยู่ก็ต้องบำรุงมันไปรักษามันไปเหมือนอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านสำเร็จอรหันต์แล้วท่านก็ยัง ปฏิบัติไปตามเดิมนั่นแหละตามข้อวัดปฏิบัติไปอยู่อย่างนั้นท่านก็บำเพ็ญสงเคราะห์ผู้อื่นไปเรื่อยๆสําหรับกิจของท่านนั้นเป็นอำนาหมดสิ้นไปแล้วไม่ไม่ต้องทําอีกแล้วกิจส่วนตัวของท่านวนะันนี้เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ช่วยเหลือผู้อื่นบันนี้นะเท่าที่จะช่วยได้นี่เป็นปฏิปทาของ พระอรหันต์ท่านผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังประวัติความเป็นมาของพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายท่านดำเนินมาอย่างไรดังที่อธิบายฟังมาแล้วนั้นเราก็พยายามบำเพ็ญไปตามทางนั้นถึงแม้ว่ายังจะไม่บรรลุเป้าหมายตามที่แสดงมานี้ก็าตาม แต่เราก็พยายามไปเรื่อยๆพยายามน้มใจไปในทางนั้นถ้าเราไม่พยายามอย่างนั้นมันจะไปได้ยังไงล่ะมันก็ค้างอยู่ในโลกอันนี้แหละมันจะหลุดพ้นไปไม่ได้เลยะฉะนั้นท่านผู้ที่หลุดพ้นมาแล้วหมู่นั้นท่านก็พยายามเหมือนกันกับพวกเราที่พยายามอยู่อย่างนี้แหละเมื่อความพยายามของท่านมันอิ่มตัว มันถึงขีดสุดแล้วมันก็หลุดพ้นไปได้ดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้